ขันธจักรมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามน้ำอสิจิสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตภิกษุจงใจพยายามน้ำอสิจิสีเขียวสีเหลืองและสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตภิกษุจงใจพยายามน้ำอสิจิสีเขียวสีเหลืองและสีเหมือนเนยใสเคลื่อน ต้องอบัตสังฆาทิเศษขันธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลจบ